พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่สีสิสี่โคตามุ ข, ขสูตรสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโคตามุขะท่านพระอุเทนะอยู่ในป่ามะม่วงชื่อเขมียะใกล้กรุงพาราณสีโคตามุขพราหมณ์มีธุระไปสู่กรุงสาวัตถีไปพบพระอุเทนะที่ป่ามะม่วงนั้นจึงสนทนาด้วย โดยแสดงความคิดเห็นว่าการบวชที่เป็นธรรมไม่มีพระอุเทนะจึงเข้าไปสู่วิหารและพรามก็ตามเข้าไปสนทนากันในวิหารพรามได้พูดย้ำความเห็นเดิมอีกพระอุเทนะตกลงกับพรามว่าถ้ายอมรับในข้อที่ควรยอมรับถ้าคัดค้านในข้อที่ควรคัดค้านก็จะสนทนากันได้พรามยอมรับข้อเสนอ n ั้น พระอุเทนะจึงกล่าวว่ามีบุคคลสประเภทคือหนึ่งทำตนให้เดือดร้อน 2. ทำคนอื่นให้เดือดร้อน 3. ทำตนให้เดือดร้อนด้วยทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วย 4. ไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนทั้งไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ดับเย็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ในบุคคลสี่ประเภทนี้ประเภทไหนเป็นที่พอใจของพรามพรามตอบว่าตนไม่พอใจสามประเภทแรกพอใจประเภทหลังพระอุเทนะถามว่ามีบริษัทสองประเภทคือพวกหนึ่งกำหนัดยินดีในทรัพย์สินสิ่งต่างๆอีกพวกหนึ่งไม่กำหนัดยินดีออกบวช ในบริษัทสองประเภทนี้พรามเห็นว่าคนที่ไม่เบียดเบียนตนทั้งไม่เบียดเบียนคนอื่นมีอยู่มากในบริษัทประเภทไหนพรามตอบว่ามีมากในประเภทที่ไม่กำหนัดยินดีในทรัพย์สินต่างๆท่านพระอุเทนะจึงกล่าวชี้ให้เห็นว่าบัดนี้เราก็ได้รู้ถ้อยคำของท่านที่ว่าการบวชที่เป็นธรรมไม่มี ข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่พราหมยยอมรับว่าพวกออกบวชซึ่งไม่กำนัดยินดีเป็นพวกไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยมากก็เป็นอันชี้อยู่ในตัวว่าการบวชที่เป็นธรรมมีอยู่พราหมยยอมรับว่าการบวชที่เป็นธรรมมีและได้ขอให้แจกประเภทบุคคลทั้งสี่โดยพิสดารพระเถระจึงแจกอธิบายทั้งสี่ประเภท ตามในที่พระผู้มีพระภาคเคยทรงอธิบายอันปรากฏในการตรักสูตรที่หนึ่งที่ย่อไว้แล้วขังตนโคตามุขพรามแสดงความเลื่อมใสสรรเสริญพาษิทธิ์ของท่านพระอุเทนะประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระอุเทนะกับพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดชีวิตแต่พระเทระห้ามไว้ ขอให้ถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสรณะของท่านเป็นสรณะเถิดรามจึงถามถึงพระพุทธเจ้าเมื่อทราบว่าปรินิพานแล้วจึงกล่าวว่าถ้ายัางทรงพระชนอยู่แม้จะต้องเดินทางตั้งร้อยโยต์ก็จะไปเฝ้าแต่เมื่อปรินิพานแล้วจึงขอถึงพระสมณโคดมและพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระอุเทนะจงทรงจาว่าตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนไตรเป็นสารณะตลอดชีวิตพร้อมกับได้แสดงความจำนงขอถวายพิกษาเป็นนิสคือถวายอาหารเป็นประจำแด่พระเทระพระเทระถามว่าพระราชาแคว้นอังคะทรงถวายนิจดพิขาทุกๆวันอย่างไรพรามตอบว่าถวายวันละห้าร้อยกหาปะนะปณะพระเทระตอบว่า การรับเงินทองไม่ควรแก่ท่านพรามจึงเปลี่ยนเป็นจะสร้างวิหารถวายท่านท่านจึงแนะให้สร้างอุ ป, ปัฏฐานสาลาหรือโรงฉันสำหรับสงในกรุงปาตลิบุตรซึ่งพรามก็ได้ปฏิบัติตามด้วยความเลื่อมใส ย, ยิ่ง